จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบรวยัผอุบาศุภุบาศิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่ห้ามิถุนายนพุทธศักราช2553เป็นวันพระวันธรรมวัวนาะวันฟังธรรมวันที่ท่านทั้งหลาย ได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาบำเพ็ญมาปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างบุญบา ร, รมีที่เป็นเหตุปัจจัยที่จะทำให้เราเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามีความสุขและมีความแข็งแกร่ปลอดภัยจากทุกภัยทั้งหลายการสร้างบุญบา ร, รมีนี้ ก็อยู่ที่ศรัทธาเป็นจุดเริ่มต้นศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่ามีจริงเป็นของจริงว่าพระพุทธเจ้านี้มีจริงก็ทําคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นคำสอนที่ถูกต้องตามความจริงและพระอริยสงฆ์สาวกก็เป็นผู้ที่พิสูจน์คำสอนของพระพุทธเจ้า ว่าเป็นคำสอนที่เป็นจริงที่มีคุณมีประโยชน์อย่างแท้จริงถ้าเราไม่มีศรัทธาเราก็จะไม่เชื่อในคำสอนเราก็จะไม่มาวัดมาทำบุญให้ทานมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมแต่เพราะว่าเราเชื่อว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นสิ่งที่ประเสริฐเป็นตัวอย่างที่ดี เป็นผู้ที่จะสอนให้เราได้เจริญได้ก้าวหน้าได้มีความสุขอย่างแท้จริงเราจึงได้มาวัดกันมาเสียสละเวลาเสียสละทรัพย์สมบัติเงินทองเพื่อที่จะได้สิ่งที่ดีกว่ากลับมาก็คือบุญบารมีในใจของเราฐานะของพวกเราทุกคน ที่มีความแตกต่างกันในวันนี้เนื่องจากบุญบารมีที่เราได้สร้างมามีมากน้อยไม่เท่ากันบางคนสร้างบุญบารมีมามากก็มีความสุขมีความเจริญมากบางคนสร้างบุญบารมีมาน้อยก็มีความสุขความเจริญน้อยความสุขและความเจริญที่เรามีอยู่กันนี้ เป็นผลที่เราเลือกไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้มันเป็นเงาตามตัวของการสร้างบุญบรารมีของเราถ้าเราสร้างน้อยถึงแม้เราอยากจะมีความเจริญมากมีความสุขมากเราก็ไม่สามารถมีได้ถ้าเราสร้างมากถึงแม้เราจะไม่อยากได้ความสุขความเจริญมากมา เราก็ปฏิเสธไม่ได้มันเป็นผลตามมาเหนือนกับการปลูกต้นไม้เวลาปลูกต้นไม้ไปแล้วไม่นานก็จะต้องออกดอกออกผลมาเราปลูกต้นไม้ชนิดใดไว้เราก็ต้องได้ต้นไม้ชนิดนั้นเราปลูกส้มก็ต้องได้ส้มปลูกสับประรดก็ต้องได้สับประรดเราจะไปอยากได้ ผลไม้ชนิดอื่นนั้นไม่ได้เพราะเหตุที่เราสร้างมานั้นมันเป็นอย่างหนึ่งเราอยากจะให้ผลเป็นอีกอย่างหนึ่งนั้นย่อมขัดหลักกับความจริงความจริงก็อยู่ที่ว่าทำอะไรก็จะได้อย่างนั้นทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วทำบุญบารมี ก็ได้เกิดเป็นมนุษย์ได้เกิดเป็นเทพได้เกิดเป็นพระได้เป็นพระอริยเจ้าได้เป็นพระอรหันต์เป็นพระพุทธเจ้าถ้าทำบาปทำกรรมก็จะได้ได้เกิดเป็นเดรัจฉานได้เป็นเปรตได้ไปตกนรกเพราะเหตุคือการกระทำนี้เป็นผู้ที่จะผลิตผลขึ้นมา ไม่ใช่ความปรารถนาความต้องการความปรารถนาความต้องการนี้ไม่สามารถผลิตอะไรขึ้น ม, มาได้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเป็นเป็นจุดที่จะผลักดันให้นำไปสู่การกระทาต่อไปถ้าเราอยากจะไปสวรรค์อยากจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อยากจะเป็นพระอริยเจ้าอยากจะไปนิพพาน เราก็ต้องผลิตเหตุที่จะทำให้เราได้ผลที่เราต้องการถ้าเราไม่ต้องการไปเกิดเป็นเดรัจฉานไม่ต้องการไปตกนรกไม่ต้องการไปเกิดเป็นเปรตเราก็ต้องระงับเหตุที่จะทำให้เราไปเกิดเป็นเปรเป็นเดรัจฉานไปตกนรกอยู่ที่เหตุคือการกระทา บุญและบาสนี่ถ้าทําบุญก็จะได้ไปเกิดโสุเป็นเทพเป็นพรหมเป็นพระอริยเจ้าถ้าทําบาปก็จะร่องไปเกิดเป็นเดราาัจฉานเป็นเปรตไปตกนรกอยู่ที่การกระทําของเราคําสอนของพระพุทธเจ้าทุกคําสอนนี้จะชี้มาที่การกระทําเป็นหลัก พระองค์จะสอนให้เราทำบุญให้ละบาปและให้เราชำระกิเลสความโลภความโกรธความหลงตัวที่เป็นตัวสร้างสร้างเหตุให้ไปทำบาปหรือไปทำบุญถ้าเรากำจัดความโลภความโกรธความหลงได้หมดเราก็จะไม่มีเหตุที่จะผลักให้เราไปทำกรรมต่อไป เมื่อเราไม่ไปทำกรรมเราก็ไม่ต้องไปเกิดเมื่อเราไม่เกิดเราก็ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายไม่ต้องทุกข์ทุกย่อมไม่มีกับผู้ไม่เกิดเท่านั้นตราบใดที่ยังมีการเกิดอยู่ถึงแม้จะเกิดในสวรรค์เป็นเทพเป็นพรหมเป็นพระอริยเจ้าก็ยังต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็ยังต้องมีความทุกข์อยู่ แต่ถ้าไม่เกิดแล้วก็จะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่มีความทุกข์การไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี้ไม่ได้หมายความว่าเราสูนเราไม่สูนใจของเรานี้ไม่สูนใจของเรายังอยู่เหมือนเดิมไม่ต้องมาแบกความทุกข์ของความแก่ของความเจ็บของความตายเท่านั้นเองยังอยู่เพราะใจนี้ ไม่เคยตายใจนี้มีมาอยู่เป็นเวลาอันยาวนานหาจุดเริ่มต้นไม่ไม่พบเพราะพุทธเจ้าเคยย้อนและลึกชาติกลับไปดูว่าจุดเริ่มต้นของพระองค์นั้นอยู่ตรงไหนย้อนกลับไปเท่าไหร่ก็ไม่เคยถึงต้นสักทีเพราะมันไม่มีต้นใจนี้ไม่มีต้นเพราะใจ ใจไม่เกิดใจไม่ดับใจมีมาอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่ว่าจะทุกข์หรือจะสุขเท่านั้นเองถ้าฉลาดก็ไม่ทุกข์ถ้าโง่ก็จะทุกข์ถ้าฉลาดก็จะทำใจให้มีแต่ความสุขถ้าโง่ก็จะทำใจให้มีแต่ความทุกข์เวลาโง่นี้ก็จะทำให้ใจเกิดความอยากแล้วก็จะเกิดความทุกข์ตามมา เวลาฉลาดก็จะทำใจให้ไม่อยากก็จะทำให้ใจมีความสุขความสุขและความทุกข์นี้อยู่ตรงที่อยากหรือไม่อยากเวลาอยากแล้วใจจะกะวนกวายกระสับกระายจะไม่สงบจะไม่เป็นปกติเวลาใจไม่อยากนี้ใจจะสงบใจเย็นใจจะสบายอย่างในขณะนี้ ใจของพวกเราไม่มีความอยากชั่วคราวเราจึงนั่งอย่างสงบได้มีความสุขในขณะที่เรานั่งถ้าเรามีความอยากใจของเราจะกังวลกัวายจะกระสับกระส่ายถ้าตอนนี้อยากจะลุกออกไปข้างนอกอยากจะไปสู่บุรีหรืออยากจะไปเดินเล่นเวลานั่งอยู่ในนี้ก็จะรู้สึกอึดอัดใจรู้สึกรำคาญใจ นี่คือความทุกข์ที่เกิดจากความอยากพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราตัดความอยากให้หมดไปจากใจการตัดความอยากให้หมดไปนี้ไม่ได้ทำให้ชีวิตจืดชืดแต่อย่างใดแต่กลับทำให้ชีวิตนี้มีมีชีวิตชีวาเพราะมีความสุขมีความสบายเวลามีความอยากแล้วใจจะเครียดใจจะทุกข์ ใจจะเกาเงินใจจะไม่มีความสบายอกสบายใจดังนั้นหน้าที่ของพวกเราจึงอยู่ที่การตัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจตอนต้นก็ตัดความอยากที่เป็นพิษเป็นอันตรายคือตัดความอยากในกลางอยากในรูปเสียงกลิ่นรสอยากไปเที่ยวอยากจะไปดูอยากจะไปฟัง อยากจะไปรับประทานอย่างนี้เรียกว่าเป็นความอยากในการหรืออยากไปหลับนอนกับคนนั้นคนนี้เป็นสิ่งที่ให้ความสุขเพียงเล็กน้อยแต่มีความทุกข์ตามมามากกว่าเพราะเป็นเหมือนยาเสพติดยาเสพติดเวลาที่ได้เสพก็จะมีความสุขแต่พอเวลาใดที่อยากจะเสพแล้วไม่ได้เสพ ก็จะทุกข์ทรมานใจความอยากในกางก็เป็นอย่างนี้เวลาอยากจะหลับนอนกับใครแล้วไม่ได้หลับนอน mm. ก็จะรู้สึกว้าเวรู้สึกเศร้าส้อยหน่อยเหงารู้สึกมีความไม่สบายใจ mm. เวลาอยากจะไปเที่ยวไม่ได้ไปเที่ยวก็เช่นเดียวกันเวลาอยากจะดื่มอยากจะรับประทาน ถ้าไม่ได้ดื่มได้รับประทานก็จะรู้สึกเช่นเดียวกันคือไม่มีความสุขแต่ถ้าไม่มีความอยากแล้วก็จะไม่เป็นปัญหาอยู่เฉยๆก็มีความสุขได้การอยู่การมีความสุขจากการอยู่เฉยๆนี่ดีกว่าการมีความสุขจากการต้องไปแสวงสิ่งต่างๆมาบำรุงบำเลอเพราะได้มาเท่าไหร่ ก็จะไม่มีความอิ่มความพอจะต้องการไปอยู่เรื่อยๆได้ไปเที่ยววันนี้แล้วพรุ่งนี้ก็อยากจะไปเที่ยวอีกได้หลับนอนกับคนนั้นคนนี้แล้ววันต่อไปก็อยากจะหลับนอนอีกไม่มีคําว่าพอไม่มีคําว่าหยุดและเวลาที่ไม่ได้ทําตามความอยาก <c oughs> ก็จะทุกขทรมานใจแล้วก็จะไปทําบาปทํากรรมต่อไป เช่นไม่ได้หลับนอนกับคนที่เราอยากจะหลับนอนก็ไปหาคนที่เราหลับนอนได้แต่ไม่ใช่เป็นคู่ครองของเราก็จะเป็นการทำบาปเป็นการทำประพฤติผิดประเวณีถ้าอยากจะไปเที่ยวแล้วไม่มีเงินไปเที่ยวก็จะไปขโมยเงินมาเพื่อที่จะได้ไปเที่ยวอย่างนี้ก็จะทำบาป ทำบาปแล้วผลก็ผลไม่ดีก็จะตามมาในปัจจุบันใจก็จะมีความทุกข์ไม่สบายอกไม่สบายใจมีความหวาดกลัวมีความวิตกว่าจะถูกไปจับไปลงโทษหรือกลัวว่าผู้อื่นจะรู้แล้วจะตําหนิจะประนามจะรังเกียจ น, นี่คือความทุกข์ที่เกิดจากความอยาก มันจะพาให้เราไปสู่ความเสือ่อมความตกต่ำของจิตใจจิตใจของเราก็จะเสื่อมลงไปจากมนุษย์ก็ไปเป็นเดรัจฉานบ้างไปเป็นเปรตบ้างไปเป็นสัตว์นรกบ้างแล้วพอร่างกายนี้ตายไปใจก็จะไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตไปเป็นสัตว์นรกทันทีดังนั้นเราจึงต้อง ระมัดระวังเรื่องของความโลภให้มากเรื่องของความอยากให้มากถ้าจะโลภจะอยากก็ให้โลภนะอยากในสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับจิตใจเช่นอยากจะทำบุญอยากจะรักษาศีลอยากจะมาอยู่วัดมาปฏิบัติธรรมอยากจะออกบวชความอยากเหล่านี้เป็นคุณเป็นประโยชน์ที่เราควรที่จะอยากให้มากมากเพราะถ้าเราอยาก ทำในสิ่งเหล่านี้แล้วใจของเราจะมีความสุขความอยากที่จะไปทำบาปทำกรรมจะมีน้อยลงความอยากที่จะไปเที่ยวไปหาความสุขที่มีความทุกข์แถมมาด้วยนี้ก็จะมีน้อยลงไปเรื่อยๆและจะหมดไปได้ในที่สุดดังนั้นเราจึงควรอยากมาวัดกันอยากมาทาบุญกันอยากมารักษาสิ่ อยากมาฟังเทศน์ฟังธรรมอยากมามปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเจริญวิปัสสนาทำจิตใจให้สงบทำจิตใจให้ฉลาดเพราะใจสงบใจฉลาดก็จะดับความโลภดับความอยากต่างๆได้แล้วว่าไม่มีความโลภความโกรธก็จะไม่มีตามมาความโกรธหรือความไม่สบายไม่พอใจนี้ เกิดจากความโลภเวลาโลภแล้วไม่ได้อะไรก็จะเกิดความโกรธขึ้นมาเวลาเราโลภแล้วคนที่มีคนมาขัดขวางความโลภของเราเราก็จะโกรธคนที่มาขัดขวางเราแต่ถ้าเราไม่โลภเราก็จะไม่โกรธเราจะรู้สึกเฉยเฉยเพราะเราไม่ได้มีความอยากจะได้อะไรใครจะเอาอะไรไปก็ไม่เดือดร้อน ใครต้องการอะไรหยิบอะไรไปเราก็ไม่รู้สึกอะไรเพราะเราไม่โลภนั่นเองแต่ถ้าเราโลภแล้วสิ่งที่เราอยากได้ถ้ามีใครเอาไปก่อนเราก็จะโกรธเขาเราก็จะเกลียดเขาเราอยากจะได้ตำแหน่งถ้ามีคนอื่นได้ไปก่อนเราเราก็จะโกรธเขาแลวเราก็จะคิดร้ายกับเขาและอาจจะไปทำร้ายเขาต่อไป แล้วเราก็จะต้องไปตกนรกไปไปใช้เวรใช้กรรมต่อไปนี่คือเรื่องของการมาวัดมาวัดเพื่อที่จะมาสร้างความอยากที่ดีความอยากที่จะทำให้เราไม่มีความอยากที่จะทำบาปไม่มีความอยากที่จะไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายจ้า มีความอยากที่จะหาความสุขภายในใจของเราความสุขที่แท้จริงนี้อยู่ในใจของเราเป็นความสุขที่ไม่มีใครจะมาแย่งจากเราไปได้ความสุขภายนอกนี้คนอื่นเขาแย่งไปได้เขาแย่งความสุขจากการมีคู่ครองของเราไปได้ถ้าเรามีคู่ครองแล้วเรามีความสุขกับคู่ครองของเราถ้ามีคนอื่นเข้ามาแย่งเอาไป เราก็จะเสียใจเราก็จะมีความทุกข์แต่ความสุขภายในใจนี้ไม่มีใครมาย่างไปได้เพราะเราต้องทำมันขึ้นมาเองและเมื่อเราทำแล้วก็จะไม่มีใครมาลบล้างมันได้จึงควรที่จะให้ความสำคัญต่อความสุขภายในใจความสุขภายในใจที่เกิดจากการทำบุญให้ทาน เกิดจากการรักษาสิ่งเจอการเกิดจากการฟังเทศฟังธรรมเกิดจากการปฏิบัตินี้แหละที่จะอยู่กับเราไปถึงแม่ร่างกายเราตายไปความสุขนี้ก็ไม่หายไปไม่เหมือนกับความสุขที่ต้องมีร่างกายหรือมีสิ่งอื่นมาเป็นปัจจัยพอร่างกายตายไปหรือสิ่งที่เราอาศัยให้ความสุขกับเรา หมดไปเราก็จะมีความทุกข์ขึ้นมา ท, ทันทีนี่คือเรื่องของใจใจของเรานี้จะสุขกับความสงบเท่านั้นความสุขอย่างอื่นนี้ไม่ได้เป็นความสุขแต่กลับเป็นความทุกข์มากกว่าเป็นความสุขความสุขเป็นเหมือนยาขมเป็นเหมือนน้ำตาลที่เคลือบยาขมมีอยู่เพียงเล็กน้อยพออมไปได้ สักระยะหนึ่งน้ำตาลก็จะละลายหมดเหลือแต่ความขมความสุขที่เราได้จากทางลาบยศสรรเสริญสุขก็เป็นอย่างนี้เวลาได้มาใหม่ๆก็มีความสุขแล้วไม่นานมันก็จะจางหายไปเหลือแต่ความทุกข์ความทุกข์ที่เกิดจากการที่จะต้องดูแลรักษาที่จะต้องคอยห่วงคอยห่วงคอยกังวล บัวว่าจะสูญไปหมดไปแล้วก็ความทุกข์ที่เกิดจากความอยากที่จะได้เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆจะไม่ทำให้ใจของเรามีความสุขเลยไม่เหมือนกับความสุขที่เกิดจากความสงบยิ่งสงบมากเท่าไหร่ยิ่งไม่ต้องการอะไรเมื่อไม่ต้องการไม่ต้องการไม่ต้องอยากไม่อยากได้อะไรก็จะยิ่งมีความสุขใหญ่ จะไม่หวงจะไม่หวงจะไม่เสียดายจะไม่กังวลวกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ว่าจะไปหรือจะอยู่จะอยู่ก็ได้จะไปก็ได้เพราะไม่ได้อาศัยเขามีความสุขภายในใจของเราแม้แต่ร่างกายก็ไม่หวงไม่หวงร่างกายจะอยู่ได้ก็อยู่ไปร่างกายจะตายก็ตายไปแต่การอยู่หรือการตายของร่างกาย จะไม่มากระทบกับความสงบของใจเลยนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้ได้พยายามสร้างให้มีไว้ในจิตใจของพระองค์จนมีเต็มที่เมื่อมีเต็มที่แล้วก็จะอยู่กับใจไปตลอดไม่มีวันหมดไป แม้ในขณะนี้พระพุทธเจ้าและพระอานาหารทั้งหลายท่านก็ยังมีความสุขจากความสงบจากใจของท่านความสงบนี่แหละที่ท่านเรียกว่าพระนิพพานใจที่มีความสงบอย่างถาวลคือพระนิพพานไม่ไปเกิดอีกต่อไปเพราะไม่มีความอยากได้อะไรใจที่ยังอยากได้อยู่จะต้องไปเกิด น่าจะไปเกิดไปเรื่อยๆไปเกิดไปแก่ไปเจ็บไปตายไปทุกกับเรื่องต่างๆเหมือนกับที่พวกเรากำลังทุกกันอยู่นี้เพราะเกิดจากความอยากที่มีอยู่ในใจของเราเองเราจึงต้องพยายามทำตามพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างทำตามพระอาหารหันตาสาวุกเป็นตัวอย่างคือเราต้องสลับความสุขทางโลก สละลาบยศสระเสริญสุดแล้วมาพัฒนาหรือมาสร้างความสุขภายในใจของเราอัดอยู่แบบเรียบง่ายไม่หาความสุขทางรูปสิงกลิ่นรสหาความสุขจากการให้ทานหาความสุขจากการรักษาสิงหาความสุขจากการนั่งสมาธิหาความสุขจากการ พลงอนิจจมทุกขังอนัตตาหาความสุขจากการฟังเทศฟังธรรมความสุขเหล่านี้ไม่มีความทุกข์เกี่ยวพนเป็นความสุขที่สะอา บ, บริสุทธิ์และเราสามารถมีได้ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราก็ทาบุญให้ทานได้รักษาสิ่งได้นั่งสมาธิได้ฟังเทศฟังธรรมได้ขอให้เรามีศรัทธา เชื่อว่าความสุขแบบนี้เป็นความสุขที่แท้จริงเท่านั้นเองขอให้เราเชื่อว่าพระพุทธเจ้านี้ไม่ได้หลอกเราการประพฤติการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้เป็นนิยายประวัติของพระพุทธเจ้านี้เป็นความจริงไม่มีใครแต่งขึ้นมาพระพุทธเจ้านี้เป็นตัวอย่างที่ดีพระองค์มีความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ทางลาบยศสรรเสริญแต่พระองค์กลับเห็นว่ามันเป็นความทุกข์พระองค์จึงก้ารสละความสุขเหล่านี้ให้หมดให้ผู้อื่นไปหมดแล้วก็สแสวงหาความสุขจากความสงบของจิตใจออกไปอยู่ตามป่าตามเขาไปอยู่ตามสถานที่ที่ห่างจากรูปเสียงกลิ่นรสที่คอยยั่วคอยยุคอยแย่ คอยล่อให้ใจมีความอยากพอไปอยู่ในสถานที่อย่างนั้นแล้วเวลาทาใจให้สงบก็ง่ายเวลาใจสงบแล้วใจก็จะมีความสุข <c oughs> พอมีความสุขแล้วก็จะรู้ว่าสิ่งอื่นๆใดๆ ใ, ในโลกดีไม่ใช่ความสุขก็จะไม่อยากได้อะไรต่อไป ก็จะอยู่อย่างสงบอยู่ตามลำพังไปได้ยังไม่รู้สึกเดือดร้อนเวลาที่เห็นคนอื่นเขามีสมบัติเข้าของเงินทองมีฐานะมีอะไรต่างๆแทนที่จะอิจชาริษยากับสงสารเขากับเห็นว่าเขากำลังแบกกองทุกข์อยู่เขาเขากำลังต้องอยู่กับ ความทุกข์เพราะเขาจะต้องคอยดูแลรักษาคอยปกป้องคอยคุ้มครองและคอยหาเพิ่มมาเพิ่มอยู่เรื่อยๆเรยพราะสิ่งต่างๆที่เขามีนั้นมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันมีเจริญได้มันมีเสื่อมได้มันมีหมดได้มีเงินพอใช้เงินไปเงินมันก็จะมีน้อยลงไปก็จะต้องหาใหม่มาเพิ่มอยู่เรื่อยๆ อย่างนี้ไม่ให้เป็นความสุขเวลาที่หานี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ที่ที่มีที่สุขที่สบายเวลาต้องหาเงินหาทองนี้ต้องเหนื่อยยากต้องดิ้นรน mm hmm. เวลาต้องหาสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับเรานี้มันเหนื่อยไม่คุ้มกับความสุขที่ได้เพียงเล็กๆน้อยๆสู้หาความสุขจากภายในใจดีกว่า ความสุขภายในใจนี้เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขภายนอกเป็นความสุขที่ความทุกข์ไม่สามารถที่จะเข้ามาทำลายได้เราจึงควรที่จะเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อวิถีชีวิตของพระพุทธเจ้าและวิถีชีวิตของพระสาวกว่าเป็นวิถีชีวิตที่ถูกต้อง คืออยู่แบบเรียบง่ายอยู่แบบสงบอยู่แบบไม่หาความสุขจากสิ่งภายนอกอยู่แบบหาความสุขจากสิ่งภายในด้วยการทำบุญให้ทานด้วยการรักษาศีลอย่างที่พวกเรามาทำกันในวันนี้เรามาทำบุญให้ทานเรามารักษาศีลใจของเราก็จะเย็นใจของเราก็จะสงบ ฟังเทศฟังธรรมก็ยิ่งทำให้ใจสงบมากขึ้นแล้วถ้าเราทำสมาธิได้ก็จะมีความสงบมากขึ้นไปแล้วถ้าเราปรองได้ปรองอนิจจงทุกขังอนัตตาได้คือยอมรับว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เที่ยงแท้แน่นอนไม่มีอะไรที่ให้ความสุขกับเราอย่างแท้จริงไม่มีอะไรที่เป็นของเรา ถ้าเรายอมรับความจริงอันนี้ได้เราก็จะไม่ยึดติด ก, กับอะไรจะไม่หวงไม่ห่วงกับอะไรแม้แต่ร่างกายของเราเราก็จะไม่หวงไม่ห่วงเพราะเรารู้ว่ามันไม่เที่ยงมันเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันเป็นทุกข์เพราะมันจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยมันไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นเพียงดินน้ำลมไฟ มันมาจากอาหารที่เรารับประทานเข้าไปถ้าเราไม่รับประทานอาหารเราก็จะไม่มีร่างกายอันนี้ร่างกายอันนี้จึงเป็นอาหารอาหารก็เป็นดินน้ำลงไฟพออาหารก็มาจากข้าวมาจากผักที่ต้องปลูกในดินที่จะต้องมีน้ำต้องมีแดดต้องมีลมถึงจ ะ, จะเจริญขึ้นมาได้ถึงจะเป็นข้าวได้เป็นผักได้ แล้วพอเข้ามาในร่างกายของเรามันก็มาทำให้เป็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกแล้วพอร่างกายนี้ตายไปมันก็กลับไปน้าก็ออกมาจากร่างกายลมก็ระเหยออกมาไฟก็ระเหยออกมาเหลือแต่ดินเหลือแต่ส่วนที่เป็นดินนี่คือร่างกายของเรามันไม่ใช่ตัวเราไ ม, ไม่ใช่ของเรา เป็นดินน้ำลมไฟถ้าเรามีปัญญาเราก็จะป่งได้ป่งอนิจจังทุกขังอนัตตาได้แล้วเราก็จะไม่มีความหวาดกลัวกับความเป็นความตายของร่างกายร่างกายจะเป็นอะไรเราก็จะไม่เดือดร้อนเพราะเราจะเห็นว่าร่างกายนี้เป็นเหมือนตุ๊กตาตัวหนึ่งเท่านั้นเองเป็นตุ๊กตาที่เราได้มาเป็นสมบัติชั่วคราว พอถึงเวลาที่มันจะตายไปเราก็เอาไปฝังเอาไปเผามันก็จบมีเท่านี้เองนี่คือเรื่องของการทำใจให้มีความสุขด้วยการตรงด้วยการปล่อยไม่ยึดไม่ติดกับสิ่งต่างๆโดยการอาศัยการทำบุญให้ทารักษาศีลการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิจเจริญปัญญาเป็นเครื่องมือ ถ้าเราทําแล้วต่อไปเราก็จะได้ผลอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ผลมาพระอาหารหันตสาลกได้ผลมาอย่างไรเราก็จะได้ผลมาอย่างนั้นคือจิตใจของเราจะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดจะอยู่อย่างมีความสุขไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดนี่คือเรื่องของการมาวัดเพื่อมาบงเพรญบุญบารามี มาปดเปลื้องความทุกต่างๆให้หมดสิ้นไปจากจิตจใจของเราด้วยศรัทธาความเชื่อด้วยความอุตสาหาวิริยะความภาคเพียรคือทําอย่างไม่หยุดไม่หย่อนจนกว่าจะสําเร็จจนกว่าจะบรรลุถึงเป้าหมายที่เราต้องการการความเพียร น, นี่แหละเป็นเหตุที่สําคัญที่สุด ข, ของการปฏิบัติ ถ้าเราไม่มีความภาคเพียรถึงแม้จะมีศรัทธาเราก็จะไม่สามารถไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างเช่นวันนี้ถึงแม้เราจะมีศรัทธาจะมาวัดแต่ถ้าเราขี้เกียจจะไม่เราก็จะไม่เดินทางมาวัดได้เราก็จะไม่ได้รับประโยชน์ดังนั้นขอให้เรามีความขยันหมั่นเพียรที่จะพื่พืตปฏิบัติไปต่ยากจะง่ายจะช้าจะเร็ว ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรขอให้เราทำไปเถิดแล้วสักวันหนึ่งเราก็จะได้ไปถึงจุดหมายปลายทางที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายไปถึงอย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาบำเพ็ญบุญบารมีนี้ให้ท่านได้นำมาไปพินิษพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการสแสดง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 de los